วันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะเป็นวันอาทิตย์เราก็ได้มาทำบุญกันตามปกตินะของวันหยุดได้มาเจริญสมาธิภาวนาตามจิตของเราให้มีความสงบ ซึ่งกิจนี้ก็เป็นธาตุรู้อันหนึ่งนะซึ่งธาตุรู้นี่มันไม่มีวันที่จะแตกสลายและแตกความสูญไปไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมหลักของพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของกรรมนัม่นเรียกว่ากรร ม, มวรุณาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปตามกรรม การนี้เมื่อดวงกิตเนี่ยแต่แรกเลยนะถ้าโลกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเป็นสัตว์มาเป็นเทว ด, ดาเป็นอะไรก่อนนะก็ไม่ทราบชัดแน่นอนนไม่ทราบชัดแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อโลกนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่า จะมีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ได้มีง้วนดินมีรสอร่อยนะเหมือนกับเนยค้นอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามีรสอร่อยมากนะก็คงจะเป็นสภาวะของดินที่เริ่มจะเย็นตัวลงลวนะั่นแหละนะคงจะมีมวลธาตุมากมายนะที่จะมีรสชาติคาว่าอพสลาพราพม เป็นพรมนะก็มาอย่างโลกนี้ก็มาลองชิมมว้นดินดูมีรสชาติมากก็ติดใจในรสนั้นก็บริโภคไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายที่เป็นพรมนั้นนะมีแสงสว่างก็ค่อยๆหยาบหยาบลงมา เมื่อยาไปมากๆก็แสงก็หหมดไปก็เกิดเพศความเป็นมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงขึ้นมานี่คือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นตามหลักสูตรตามพระสูตรบอกว่าเกิดขึ้นมาของมนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละมาเกิดขึ้นมาแล้วนะความโลภโกรธหลงนี่ก็ค่อยๆมีขึ้นมามีขึ้นมา พอมีขึ้นมาก็พาเวียนว่ายตายเกิดใ่แรกจิตก็บริสุทธิ์อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบมาปัจจุบันนี้เราปัจจุบันนี้นะเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆนะท่านบอกว่าจิตก็มีความสะอาดจิตมีความสะอาดนะจิตของเด็กจะไปโกรธไปเกลียรรักชังอะไรก็ไม่นานเห็นไหมก็ลืมแนละ้ว เริ่มไปละเริ่มง่ายไม่ยึดไม่ถืออะไรลักษณะนั้นแต่เมื่อมีความเจริญไววขึ้นมามากขึ้นก็มีความยึดถือขึ้นมากขึ้นเกิดอุปทานมากขึ้นจิตที่เคยเป็นประภัสรก็เศร้าหมองลงน่าเศร้าหมองลงกิเลสก็จรเข้ามา อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยหลังที่เราเวีนว่ายตายเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติขึ้นมาเนี่ก็เพ่อภูนกิเลสกุ้งไปเรื่อยๆนะจนมาอยู่ในปัจจุบันนี้แหละบางทีเราเอ้วพยายามจะให้กิเลสมันออกไปกกจะกิดให้มากที่สุดทัดที่จะมากได้ทําไมมาถึงยากทําไมลําบากอก็เพราะว่าเราสร้างความรู้สึก อุปท า, านเนี่ยมานานแล้วนะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปท า, านตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัณหาก็มีอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นหลวงประชาก็าบอกว่าทุกมีเพราะความยึดทุกยึดเพราะความอยากทุกมากก็เพราะความปลอยทุกน้อยก็เพราะความปล่อยปล่อยวาง ทุกข์มันจะน้อยไปเรื่อยถ้าเรามีความปล่อยวางแต่ทุทกข์จะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นนีดมั่นะยึดมันดม่นถือมัน่นฉะนั้นเรานี้ก็ต้องยงต้องมาปฏิบัติกันนะบางทีก็เอคนเขาไม่มาปฏิบัติก็จะมาถามเรานะนะีนะ่ทำไมต้องมาปฏิบัติด้วยนะทำไมต้องมาปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรมันจะมีคำถามเหมือนชาวเกาหลีถามปัญหานี้มาทั่วโลกเป็นพระใส่ชุดสีน้าตาลน้ำตาลมากราบหลวงพ่อที่วัดก่อนอก หงพ่อทนะ่าก็บอกแยกโยมว่าอันนี้เป็นพระนั้นนี่นะให้กลาพระเมืองนะี่ของเราก็เห็นแต่พระเมืองไทยผมจีวรสีกรักสีเหลืองมีสัญญารู้ว่าเป็นพระแต่ถ้าเป็นพระจากประเทศเกาหลีมาแล้วไม่ทุจักใส่เสื้อคลุมมาใส่ชุดน้ำตาล น, น้ำตาลมาท่านบอกนี่คือเป็นพระนะก็สมมติไม่เหมือนเรานะี่ยก็เมืองนู้นก็เมืองหนาวก็ต้องมี จีวรอีกอย่างหนึง่งที่ป้องกันความหนาวเนี่ยเขาก็ถามปัญหาเหมือนกันนะว่าทำไมต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรหลงพรอชาก็ามอธิบายมากนะท่านเป็นนักปราชนาวินักปราชญ์มาถามท่าน ท่านเป็นยอดของป่ายก็ตอบปัญหาว่าทำไมเราถึงต้องรับประทานอาหารทำไมมีเหตุผลอะไรถึงเราต้องรับประทานอาหารนะแล้วก็รับประทานอาหารอย่างไรวิธีการรับประทานอาหารนั่นนะ่ะรัประทานแล้วได้ผลอย่างไร เราก็รับประทานอาหารก็ขยายความว่าเพราะมีทุกอืมีความทุกขหนูมีเวทนาก็จะต้องรับประทานอาหารเพราะมันมีเหตุของความทุกอยู่คือมีร่างกายได้อยู่อรับประทานอาหารแล้วก็คงทราบแหละรับประทานแล้วก็มีผลว่าความทุกันหายไปเขาก็เข้าใจในคําตอบอย่างชัดแจ้งนะเข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้ว ว่าคำตอบนี้ถูกใจนะถูกใจเขา้าเขาก็หาคําตอบอย่างนี้มานานนะแต่ว่ายังไม่ชัดเข้าไปในใจเขาคงจะรู้อยู่ในอริยสัจสี่แล้วก็ฟังกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนว่าเป็นสัญญาอารมณ์มันอยู่ในสมองว่ายงั้นน่ยมันยังไม่เข้าไปในใจเมื่อได้รับคำตอบอย่างนี้ก็มันก็เข้าไปสูดใจเลย ก็เกิดปีติเกิดความสุขใจนะแจ่มชัดขึ้นนะเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจรารณาก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนานั่นเองมันจะชัดเข้าไปสู่ใจเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่มีจิตกันคนละนดวงเนี่ยนะ มีกายคนหนึ่งก้อนเจ้จิตนี้มันก็มายึดเอากายก้อนนี้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็มายึดเอาแล้วเมื่อเราสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยสร้างบ้านหลังหนึ่งนะสร้างด้วยความรู้ความสามารถประดับอย่างสวยสดงดงามแล้วเราวิจิตพิสดารหลวงพ่อชาท่านบอกว่ามีคนมาบอกว่าให้ลือบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ มันไม่สวยอยู่ไม่สบายนคนนั้นจะต้องหาอุบายพูดอย่างไรเราถึงจะยอมรับได้ถึงจะเลื้อบ้านหลังนี้ได้เนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายใจของเรากรรมกันเมื่อมาอยู่กับร่างกายนี้แล้วเนี่ยก็เป็นบ้านของใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนพระธรรมว่าร่างกายนี้มันไม่ดีนะ อย่าไปยึดถือเลยนะอย่าไปมีอุปท า, านในกายนี้เลยเราอยู่ก็อยู่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เราก็อยู่ไปแต่เราอยู่ด้วยสติปัญญาอย่าอยู่ด้วยความที่มีอุปท า, านเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเราฟังดูแล้วนะอาจจะไม่เห็นตามท่านเลยหรือว่าเห็นตามท่านเลยแต่ยังทำไปได้ก็ยังดี เห็นมันเกันกว่ามันทุกข์แต่มันยังละอุปทานไม่ได้นี่นแหล ะ, ะก็พยายามดําเนินทางที่ท่านสอนที่จะละอุปทานความยึดความถือในกายก้อนี้เพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามาทําการงานอะไรก็ทําเพื่อตัวเราของของเราทั้งนั้นเลยเราไม่มีความสละเยะสละเมื่อเราไม่มีความเสียสละก็กลายเป็นความโลภ การพวที่มีความตันหนีทีเหนียวได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่แบ่งให้ใครให้แต่พวกเราของของเราแล้วก็ต้องการทรัพนั้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเนีเพราะว่ามันเป็นความโลภเป็นตัณหาหน้าทีตัณหา สมาธินะก็แปลเป็นภาษาไทยก็ว่าแม่น้ํานั้นนะจะเสมอตัญหานั้นไม่มีบางอย่างนี่แม่น้ำทั้งหลายมารวมกันไหลลงมหาสมุทรอะไรก็ไม่เต็มบางอย่างนะี่ลักษณะของตัญหาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอนะจะให้มีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วพอแล้วนี่ตัญหานี่ไม่มีนะ ตัวตัณหานี่มันทําไม่ได้อะเพราะมันเป็นลักษณะของความไม่อิ่มไม่พอตัณหาเนี่นะถ้ามีตัณหาขึ้นมาแล้วมันจะมากขึ้นมากขึ้นไปอย่างนี้เหมือนกับไฟไม่อิ่มเชื้อชั้นใดในกลียตตัณหามันก็ไม่อิ่มในตัวมเองขนาดนั้นเหมือนกันน่ะเราก็คิดว่าเออตัณหามันเกิดขึ้นแล้วเราทําตามตัณหามาแล้วมันจะพอเออไม่ใช่ไม่มีเมืองพอสาหรับตัณหา มันจะมากขึ้นไปอีกเอเราทําให้ทําความต้องการของตัณหาแล้วมันจะพอแล้วมันก็มากขึ้นไปอีกมันลักษณะของตัณหาน้ำไม่พอเมื่อไม่พอแล้วนําความทุกข์มาให้กับใจดวงนี้แทน อ, อีกนะความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันก็มาทําแต่ความทุกข์ให้ใจดวงเนี้ไม่รู้จักที่จะสงบได้ พระพุทธเจ้าก็ค้นพบวิธีการแล้วจะทําใจตรงนี้ให้มีความสงบได้อย่างไรนะเราเกิดขึ้นมาได้โลคมีอารมณ์ที่เราชอบใจมากๆากเราก็ต้องอดทนนมาฝึกในเบื้องต้นยังต้องมาฝึกคุณธรรมขั้นอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นะมีความโลภอยู่มีความโกรธมีความหลงอยู่ก็อดทนไว้ก่อนนี่เราอดทนไว้ก่อน เมื่อเราอดทนออได้แล้วสัมรวมได้แล้วอย่างดีทางกายวาจานะทําใจมันยังดิ้นรนอยูนะ่เอาวิชาตันหาอุปทานผาใจของเราดิ้นรนอยู่เป็นภพเป็นชาติอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นภพเป็นชาติอยู่ละเมื่ออาวิชามันเกิดในใจมันเร็วมากเลยเกิดตันหาเกิดเวธนาชอบใจมันก็เกิดอุปทานขึ้นมา เ ก, กเกิดรูปทันแล้วก็มาเกิดตัณหาถ้ามามันเป็นเหตุผลที่จะให้เกิดซึ่งกันและกันอยู่เป็น ค, ค, คู่ขึ้นไปจนถึงอวิชชามันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เราถึงเอาชนะมันได้ยากหน่อยตัวอวิชชาที่อยู่ในจิตใจเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาฝึกเราต้องมาฝึกเหมือนพระท่านฝึกกันน่ที่ก็นอนน้อยฉันน้อยมาทาวัดไม่ทันท่านก็ไม่ฉัน ไม่ฉันแล้วมันเอาการตัานามาอยู่ก็ไม่ฉันน้ปานะด้วยก็ให้มันเข็ดให้มันมีความทุกข์ขึ้นมาก็จะได้จํามันก็จะได้ปฏิบัติให้มันได้เนี่ยต้องฝึกเอาจริงเข้าจังอ่ะถ้าไปแบบไม่จริงจังแล้วก็เอาชนะมันยากน่ะมันบุรุษจับยากค่ะจับร่มหลวงแล้วมันจะบาดมือมาอย่างนั้นอ่ะน่ะจะบาดมือได้ก็ต้องจับให้มันแน่นอื เการปฏิบัติของเราที่เราจะมาพัฒนาจิตให้มันมีความประพัฒ์สอนอย่างถาวรเนี่ยนะเราต้องตั้งใจทำในชีวิตนี้ตั้งใจทำเอาเป็นว่าเราจะตั้งใจมีสินห้านะตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าเกิดมันพลาดก็มีบ้างธรรมดานะนามันพลาดไปบ้างแต่ความตั้งใจของเราเนี่ยเราจะตั้งใจมีสินห้า ตลอดชีวิตของเราเนะนี่ยนะเราทำมาค้าขายก็คงเป็นใช้กุศโลบายไปนะจะว่าไม่มีกำไรก็ต้องมีอยู่แต่ก็พูดเป็นกุศโลบายไปก็ไม่พิสิทธ์เราจะไม่ให้ไม่ให้เดือดร้อนให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนะอย่างกว่าเราตั้งใจที่จะมีสิน5นะ้าะอย่างนี้ก็เป็นหลักประกันของชีวิตของเราได้อย่างดีแล้ เพราะเมื่อใจนี้อยู่ในคุณงามความดีมีทานมีสิ้นมีภาวนาใจก็จะประพัได้มากขึ้นประพัสอนมีความสะอาดมากขึ้นนะกลับไปสู่ความประพัสอนเดิมและก็เป็นประพัสอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงลท่านยังว่าเอาเหล็กมาทดลองอยู่ตามหลักของวิทยาศาสตร์เคมี เอาเหล็กมาเผาไฟเหล็กนั้นก็จะต้องเปลี่ยนไปมีความร้อนมากขึ้นนะกัเป็นสีแดงเป็นสีสม้มสีแดงสีเหลืองมากมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงๆ อ, ออกสีขาวนะเพราะมีความร้อนมากขึ้นมาใกว่าเหล็กนั้นเป็นเหล็กที่มีลักษณะประพัสด น, นะคือมันมี ความที่มีสเสถียรของตัวเองแล้วเป็นพระพัฒสอนนะมันใสขึ้นมาจากที่มีความร้อนอาบ่มในตัวเหล็กนั้นแะแต่มันก็จะกลายกลับขึ้นมาได้นะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปนะจิตนี้เมื่อความโลภระดับหนึ่งเข้ามาครอบงอมแล้วแตลักษณะแบบเดียวกันนะ ถ้าเป็นมีแสงอล่านะจิตก็จะมีสีแดงเงี้ยมีสีแดงต า, ากิเลสมากๆมันก็แดงมากแต่ออกิเลสมันน้อยลงไปจิตก็จะมีสีส้มมันเข้ามาครอบคุมจิตเอาไว้นะหรือมีสีเขียวออมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีม่วงถ้าจิตประพัดสอนเข้ามาก็ เป็นสีขาวอไงเงี้ยนีก็เรามานั่งสมาธินี่แหละนั่งคุมจิตถ้ามันคิดไปทางความโลภจิตมันก็แดงขึ้นมา น, นี่คือเป็นปุถุชนธรรมดาถ้าเราได้พัฒนาแล้วมีศีลมีความอดทนอดกัน้นถึงจะมีความโลภมันก็ไม่แดงที่เรียบนไม่มากขนาดนั้นมันก็ออกมาเป็นส้มๆแล้ว จะมีความโลบโกรธหลงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเป็นสีส้มมันไม่รุนแรงมากนะความรุนแรงมันลดลงนะเมื่อก่อนเป็นปุถุชนนี่มันแดงมากๆขึ้นแล้วคุมกายวาจาไม่ได้ก็ผิดศีลต่อมามันแดงอยู่แต่ว่าคุมได้ด้วยศีลกายวาจาม่อมีโลบโกรธหลงเรามาปฏิบัติมันก็มีเหมือนกันอยู่แต่มันก็ลดลงความเข้มข้นของกิเลสมันลดลงมา ก็ยังเป็นปุตตชนนี่แหละแต่มันก็ลดลงมาแล้วเป็นสีส้มอย่างเงี้ยนะต่อมาอีกแ ล, แล้วก็ปฏิบัติอีกในศีลธรรมทธิ ї, ปัญญาภาวนาเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสมาธิเริ่มทำได้ขึ้นมาแล้วนะบางครั้งนะจิตสงบมีปิติมีความสุขใจเนี่ยจิตมันก็ขาวนะมีความใสขึ้นมาเออถ้าเวลา อันนี้เป็นโลกิยะเนี่ยสมาธิมันหายไปจิตมันก็อยู่ในปกติธรรมดาของกัลยาณชนนี่แต่ว่ามันก็ไม่ส้มแล้วนะมันจะเหลืองเหลืองคือว่าวิริยมันบางลงไปด้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนมันดีก็เก่าเงั้นเน่นะเหมือนกับเป็นมนุษย์ถ้าคิดถึงความดีก็จะเกิดเป็นเทวดาว่างั้นน่ยมันมันมีช่องที่มันไม่ห่างกันนะ ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นี่แหละแต่ถ้าเกิดคิดถึงความดีก็เป็นเทวดาได้ง่ายๆคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างคุณงามความดีมีจิตใจเสียสละเป็นปกติพยายามลดละ ค, ความเห็นแก่ตัวนะเป็นปกติทีเดียวนะบุคคลนี้ก็เหลือว่าเป็นกัญยานนชนใกล้จะเต็มขั้นแล้วนะ หนึ่งก็เป็นโสดาปฏิมักเหมือนกนนะ่ะนะโซดาปฏิมักเริ่มแล้วจิตทำสมาธิต่อไปทำสมาธิได้ทรงตัวนะได้ทรงตัวดีนี่นะความเป็นเทวาดามันก็มากกว่าความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจําวันในวันหนึ่งนี่แหละนะจิตก็เป็นเทวาดา ม, มากกว่าความเป็นมนุษย์แล้ว ม, มาจิตเป็นเทวาดา ม, มากกว่ามนุษย์ก็มีกําลังที่จะพิจารณา เพราะว่าอันที่สองแห่งการรักให้ทานรักษาศีลสักคะก็คือสวรรค์ก็คือความสุขนะก็คือสมาธิที่ตั้งมัน่นปรากฏขึ้นมาแล้วก็รู้จักละเมื่อเป็นอย่างนี้ที่เราภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆเนี่ยหรือพิจ า, ารณาร่างกายเนี่ยก็คือจิตสงบขึ้นมาแล้วนะจิตสงบขึ้นมาแต่ความโลภความโกรธก็ยังมี นะยังมีบางครั้งก็รู้สึกว่าเออมันมีเหมือนกับธรรมดาน่แต่ว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วขึ้นกว่าเก่านะการพิจารณาการปฏิบัติดูในตัวของมรรคก็คือสินธรรมะิปัญญานันดีขึ้นตันดีขึ้นมาพิจารณาเห็นกายก้อนี้มันไม่ใช่ตัวตน ตัวสักกายติติที่เราเคยยึดเคยถือจริงๆว่าตัวเราของเราเนี่ยมันจะถูกทอดถอนถอนอกละเพราะเห็นชัดขึ้นมาแล้วว่าโอมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะการยึดถือเป็นตัวเราเนี่ยมันทุกข์ขึ้นมาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยแหละไม่ไม่จบสีทีนึงก็เลยเห็นชัดอย่างนี้ขึ้นมาเห็นชัดแจ้งขึ้นมาเห็นชัดแจ้งขึ้นมาจิตก็ยิ่งมีปิติมีความสุขใจ สนใจในการมาเพื่อปฏิบัติธรรมสนใจในการปฏิบัติภาวนาสนใจในการสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอเป็นปกติมีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาเป็นปกตินะ่ะถ้าถึงขั้นนี้นะนะ่ะจะเป็นนักภาวนาละปฏิบัติในสมาธิในไม่ขาดแล้วเห็นแล้ว่าสมาธิเนี่ยสำคัญถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะวันไหวไปกับอารมณ์ ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนะความโลบโกรธเนี่ยหลงมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะใช้จิตที่ตั้งมัน่นเป็นสมาธินี่แหละมาพิจารณาหาความจริงละอุปทานละตันหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความยึดถือในกายข้อนนี้นะอันดับแรกเนี่ยมันก็จะละได้นะตรงนี้ก็เรียกว่าพัฒนาไปนะเป็นพระจะเกิดความ ผ อ, องใสและประพัดสอนที่ถาวรในจิตของเราขึ้นมาทีละส่ว น, นใน4ส่วนก็จะเกิดความบริสุทธิ์เข้ามาหนึ่งส่วน1ใน4ีและพิจารณาแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยเดินมากอีกจะเกิดความบริสุทธิ์ผองใสขึ้นมาเป็นเครื่องหนึ่ง 50% 65% 75% ก็จระล ะ, ละตัวละตนละกายอนนี้ได้จนในสุด พิจนาเมตนาสัญญาสัญขานวิญญาณอันส่วนละเอียดนั้นก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ละอุปทานทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์จิต ก, ก็จะพระพัสรสอ่องใสไม่กลับไปเศร้าหมองอีกนี่คือจิตของนักปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วละอุปทานได้ทั้งหมด จิตก็จะมีแต่ความขาวความสะอาดความโปร่งใสเราจะพัฒนาจิตของเราให้สูงสุดขึ้นไปได้นะถึงระดับนี้นั่นเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนวิธีการปฏิบัติของเราให้ดําเนินอย่างนี้เพาะฉะนัพวกเราเนี่ยมาฝึ ก, กจิตกันเนี่ยนะดวงจิตตรงเนี้ยเมื่อฝึกดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้เรา ถ้าดรงจิตรงนี้ฝึกเปในทางไม่ดีก็จะนำความทุกข์มาให้เราไม่ต้องการความทุกข์ก็จะต้องได้รับความทุกข์นี่นะเพราะเหตุแห่งความทุกข์มีอยู่ถ้าเราเดินเหตุของความพ้นทุกข์เราก็จะได้ความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นแม้ว่าพวกเราก็จะมีกิจการงานหน้าที่มากมายนะไม่มีเวลาว่างกันเลยแหละทั้งวัน ก็ให้มีสติในการทำปัญจการงานนั่นแหละฝึกดูจิตของเราไปด้วยอยู่ในที่ทํางานอยู่ในเพื่อร่วมงานโดยความมีสตินะสมัมปชัญญะของเราไว้นะฝึกไปดูจิตโดยมีศีลเป็นพื้นฐานมีทานเป็นปกติคือการให้ให้ทานด้วยให้อภิญทานด้วยมีจิตใจเยสระ อย่างนีก้ก็การพัฒนามันก็จะดีขึ้นมันจะเร็วขึ้นนะในการภาวนานี้มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทาได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันก็จะเป็นการพัฒนาดวงจิตตรงนี้ให้มสู่ความประพัสสอนอย่างถาวรเราคอยพยายามฝึ ก, กจิตกันนะกจตนิตตั้งทนตั้งสุ ข, ขาววาหงจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนาความสุขมาให้เรา สัตว์ทั้งหลายฝึกแล้วก็มาใช้การงานได้เห็นไหมถ้าจิตของเราฝึกดีแล้วอ่ะเราก็จะมีแต่ความสุขเราทำไมจะไม่พยายามฝึกจิตของเราล่ะนะปล่อยให้จิตมันไปตามยถากรรมอย่างนั้นไม่มีคนดูแลก็เหมือนโลกนี่ขาดพ่อแม่ขาด ญ, ญาติดูแลแเราก็ดูได้เป็นยังไงนั่นะจิตอนาถาเป็นอย่างนั้นนะนะจิตไม่มีอะไรที่จะควบคุมดูแลน่าสงสารหม ถ้าจิตนี้มีผู้ที่ดูแลมีผู้เอาใจใส่นะมีมักที่จะดูแลอยู่อย่างนี้จิตนั้นก็จะ พ, พัฒนาขึ้นเป็นจิตที่ดีขึ้นมาโดยการที่เรามีทานมีศีลเป็นพื้นฐานนะถ้าจิตของเรามันไม่สงบลงมาแล้วก็ให้อดทนไว้ก็อยู่ในขั้นของศีลเป็นหลักของใจเอาไว้ หลักของใจนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบแล้วเท่านำมาบอกเราถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีโอกาสจะทราบจะรู้ได้นี่ก็เราก็โชคดีนะมีโอกาสที่จะทราบจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เราก็ต้องพา ก, กันปฏิบัติเมื่อยังมีกําลังนะของร่างกายอยู่นี้แหละนะในพิจารณาต่ถอต้อนอุปทานออกจากจิตใจของเราเจิตใจของเราก็จะผ่องใส สะอารบริสุทธิ์และขอให้เจริญในธรรมต้องกันทุกท่านเติม